โยมเป็นไงบ้างโยมกนแกัดเ่แน่นตอนนี้รู้สึกทีก็สงสัยเะนนมีสิที่ว่างๆ่า็จิตของโยมตอนนี้เป็นไงจิตตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่หรือยังจิตอยูน่นล็กๆตอบถูกละใช้ได้ที่จริงแล้วนะจิตเป็นยังไงก็ได้ หน้าที่ของเราก็คือคอยตามรู้เข้าไปเขาจะสอนธรรมะเราคือเขาจะสอนให้เห็นว่าไม่เที่ยงนะไม่เหมือนกันสักวันสักเวลาตรงนี้ดูออกไหมนะมันเป็นทุกข์นะคือมันทนอยู่ในสภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้อยู่ได้ช่วคราวนะมันบังคับไม่ได้คุณดูออกไหมคือการที่เรามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปบังคับเขานะไม่ใช่เพื่อฝึกให้เขาดี ไม่ใช่เพื่อจะหาความสุขแต่ว่าเราตามรู้กายตามรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้พอเราเห็นอย่างนี้ซ้ำซํำๆๆวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งต่างหากจากคําว่าตัวเราตัวเราไม่มีถ้าเมื่อไหร่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบัน นี่เราเป้าหมายแรกของนักปฏิบัตินะต้องมุ่งไปเป็นพระโสดาบันต้องบรรลุพระโสดาบันให้ได้ในชีวิตนี้ต้องตั้งเป้า อ, อย่างนี้นี่เราอยากเป็นพระโสดาบันต้องการเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไงพระโสดาบันเนี่ยคือคนที่ละสักกายพิฐิได้สักกายพิจิตรคือความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราวิธีละความเห็นผิดมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่สองเลย ก็คือการที่เราคอยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไป น, นั่งคิดเอาว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์นั่งคิดเอานั้นไม่ได้อะไรต้องเห็นของจริงต้องรู้อย่างจิตใจนี่เราเห็นเลยมันแปรปรวนทั้งวันเห็นไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเห็นมันบังคับอะไรไม่ได้คุณดูออกไหมเดี๋ยวมันวิ่งไปทางตาไปเห็นไหมมันวิ่งไปที่หูไปทางหูไปฟังวิ่งไปคิดตัวนี้ดูออกไหม แค่เรารู้ว่ามันหนีไปคิดนะเราก็ตื่นขึ้นมานะละเราจะเกิดความรู้สึกตัวคือเราหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่ตัวเราละเพราะแท้จริงตัวเราไม่มีตัวเราเป็นความคิดล้วนๆเลยคำว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยที่ชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นทิฏฐิคือเป็นตัวความคิดความเห็นงั้นอยากลาะสักกายทิฏฐินะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็น ตื่ขึ้นมาหลุดออกมาจากโลกของความคิดซะเห็นกายตามความเป็นจริงกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกทั้งวันกายนี้เป็นทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นทั้งวันนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะทุกข์ทุกข์อิริยาบถมีแต่ทุกข์บีบคั้นนี่อย่างนี้เรียกว่าเห็นตรงความเป็นจริงจิตใจก็ไม่เที่ยงดูออกไหมจิตใจไม่เที่ยงกายเนี่ยดูง่ายว่าเป็นทุกข์จิตเนี่ยดูง่ายว่าไม่เที่ยง ก็จิตใจเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้คอยดูไปเห็นอีกเราบังคับเขาไม่ได้หรอกสั่งให้เขาสุขอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นรักษาอะไรก็ไม่ได้กิเลสมาแนละ้วไล่มันก็ไม่ไปทำอะไรมันไม่ได้สักอย่างดูจนเห็นตรงนี้นะดูอย่างเงี้ยจิตจะเข้าใจความจริงจิตจะรวมเข้ามาจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเข้าเองไม่ต้องทําอะไร รวมเข้ามาเองแล้วก็มันจะเกิดกระบวนการของการตัดสินความรู้ขึ้นใช้เวลาแว๊บเดียวมันเป็นการเปลี่ยนคุณภาพเป็นคุณภาพนี้จะเปลี่ยนฉับพลันในใช้เวลาแว๊บปิดตาเดียว เ, เปลี่ยนไปแล้วความเห็นผิดถูกทำลายแลวความเห็นถูกเกิดขึ้นแทนแต่อย่างการที่เราคอยรู้คอยดูทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นการสะสมเชิงปริมาณดูทุกวันทุกวันทุกวัน พอเกิดความเข้าใจมีนจะเปลี่ยนคุณภาพในฉับพันวับเดียวเคยดูไปนะอย่าตั้งใจดูแรงไปดูออกไหมแรงไปนิดหนึ่งดูสบายๆทำสบายคนไหนเคยมาแล้วจะส่งกันบ้านบ้านคุณแมวเดี๋ยวจะได้สอนคนใหม่ <c oughs> เหมือนกันหมดแล้ว <copying S 2> ส, สมัยก่อนหลวงพ่อก็รอวันเสาร์อาทิตย์ถึงไม่มาวัดก็ชอบให้เรารู้ทันแต่เราไม่เสมอกันไม่ต้องให้เสมอรหรอกมันไม่เสมอกันเรารู้ว่าไม่เสมอพอละไม่ต้องไปทำให้เสมอกันนะรู้อย่างที่เขาเป็นจับหลักให้แม่นเลย รู้กายรู้ใจแต่ความเป็นจริงตามที่เขาเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เขาเป็นงั้นวันธรรมดาแล้วแหมมันเบื่ออยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์พอถึงวันศุกร์ก็เริ่มมีความสุขละหลงพ่อพูดบ่อยๆนะรับราชการอยู่ตื่นเช้าวันจันทร์น้ะใจแห้งแล้งเลยตื่นเช้าวันศุกร์นะมันสดชื่นยิ่งวันเสาร์ยิ่งชอบใหญ่วันอาทิตย์ชักชอบน้อยลงละเดี๋ยววันจันทร์ต้องทํางานวันอาทิตย์บ่ายๆชักจะเต็งเต็งละ ที่ตงต้งมนเห็นเองช่องว่างที่ขั้นระหว่างอารมณ์แต่ละตัวหรือหรือช่องว่างอะไรเวลาดูภายนอกอย้ือเข้าใเวลาคือเราต้องูเมสีะว่าอยู่แล้วก็เหมือนับรู้เตรือิัน ม, มันรู้เองอยูคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ตาเรามองเห็นรูปนะขณะจิตที่มองเห็นจริงๆอับแมวไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว เพราะฉั้นถ้าสติเราไวเราจะเห็นเลยจิตดวงที่ไปมองเห็นรูปเนี่ยว่างเปล่าอยู่แล้วไม่มีตัวมีตนไม่มีสุขมีทุกข์อะไรนะเป็นอุเบกขาจิตตัวนั้นเป็นอุเบกขาตามธรรมชาติเลยเพราะฉนั้นจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นสีอันเนี้ยจะอุเบกขาตลอดเลยจิตที่เกิดทางกายเนี่ยนะมีสุขมีทุกข์นะกายแต่ยังแมวมอไหมตาเรามองเห็นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นนะั้ว่างเปล่าอยู่แล้วความคิดของเรามันเกิดตามหลังมา มันก็เลยเป็นตัวตนขึ้นมาอย่างมองพระพุทธรูปปนะุ๊บขนาดจิตที่เห็นนะียมันว่างเปล่า ม, มีแต่สีนะสีตัดกันเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใจมันจําได้อะไอย่างนี้เรียกว่าพระสมจําจได้ขึ้นมาแล้วมันก็คิดต่อละมันก็ปรุงต่ อ, อ, อสวยไม่สวยดีไม่ดีอะไรอย่า ง, นะนะนะงเงี้ยกุศลอกุศลที่จะเกิดขึ้นทางใจเพราะงั้นไม่ใช่เจตนาต้องไปดูรูปให้เห็นว่างนะ เมื่อตามองเห็นแล้วถ้ากิเลสเกิดที่ใจก็คอยรู้เอาแต่ถ้าสติเร็วเนี้จะเห็นความว่างอยู่แล้วว่างตน้าต่ตาแมวดูออกไหมโลกกระแทกบ้างไม่มีน้ําหนักเลยน้ําหนักเกิดที่ใจแต่ไม่ต้องเจตนานะคือวิถีของจิตวิถีของจิตเนี่ยทีแรกเขาขึ้นมารับอารมณ์แต่เขาไหวตัวขึ้นจากภวังนี้เขาเราเลือกไม่ได้นะ ว่าเขาจะไปเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือทางกายเราเลือกไม่ได้หรอกแล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรที่รุนแรงมากระทบทวารใดนะจิตก็จะไปเกิดที่ทวาร น, นั้นเช่นเรานอนหลับอยู่นะได้ยินเสียงป้งขึ้นเนี่ยจิตมันไปจับอารมณ์ทางหูมันไปได้ยินเสียงขึน้นเราเลือกไม่ได้หรืออย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหม เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวก็ฟังอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าตอนไหนจะดูตอนไหนจะฟังแมวดูออกไหมขนาดที่ดูเห็นได้แวบเดียวดูออกไหมแล้วก็เบลอต้องดูใหม่ถึงจะชัดใหม่ชัดอีกแวบหนึ่งก็เบลออีกจริงๆก็จิตที่เกิดทางตาแล้วก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยเมื่อจิตจะเกิดทางตาหรือจิตจะเกิดทางหูเราก็เลือกไม่ได้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยถ้าอารมณ์นั้นแรงพอนะมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ ใจมันจะวินิจฉัยอารมณ์นั้นก่อนว่าดีไม่ดีมันคืออะไรดีไม่ดีเริ่มให้ค่ามันเสร็จแล้วถึงจะปรุงเป็นกุศลอกุศลอะไรขึ้นมาคือกลไกการทํางานของจิตเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่อ่อนพอตามองเห็นแล้วไม่มีความหมายอย่างเราขับรถอยู่หางตาเราไปเห็นคนข้างถนนไม่รู้จักมันจะมองผ่านไปเลยเหมือนเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเฉยเฉยอย่างเนี้มันไม่ไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจต่อไม่ไมปรุง ในวิธีของจิตก็ทําทงานหลายแบบเขาทําแบบไหนก็ช่างเขาจนหน้าที่เราคอยรู้แต่ตัวรู้ที่สําคัญที่สุดก็คือตอนที่เขาเข้ามาทํางานทางใจพอเขาทําทางตาแล้วก็จะส่งสัญญาณมาที่ใ จ, ใจใจจะเริ่มให้ค่ากุศลอกุศลเกิดขึ้นที่ใจนี่ใครรู้ทันตรงนี้ที่เดียวเลยสบายเราไม่ต้องไปพิจารณาตัวรูปหรอกตัวรูปนั้นสติปัญญากแก่กล้าก็เห็นเอง เนอ้ยมองโลกกระทกนะโลกกระไม่มีน้ำหนักในใจเราจะมีน้ำหนักเนะี่ยเลราะเราใจเราปรุงแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะมันนึงใจหมดความปรุงนะข้างในข้างนอกนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่มีน้ำหนักเหมือนเหมือนกันนะไม่มีภาระที่ต้องแบกมีความสุขนะให้ฝึกแตกไม่ได้ลึกลับอะไรเลยธรรมะนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นเปิดเผยมากเลยนะแล้วสอนละเอียด น, นะ ตอแรกเนี่ยแต่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนจะไปอยู่ในพรอาอภิธรรมบางคนเกลียดพระอภิธรรมนะ่าอยากเผาทิ้งด้วย <c oughs> เพราะว่าพวกเกรียนอภิธรรมนี่ชอบไปด่าพวกปฏิบัติพวกปฏิบัติเลยเกลียดอภิธรรมไปด้วยก็ <c oughs> จริงต้องไปเกลียดนักเกรียนอภิธรรม <c oughs> อย่าไปเกลียดพระอภิธรรม <c oughs> มีอะไรไหมแมวแมวดูไปมันว่างเองมันไม่ว่างขึ้นมาเข้าใจเราปลูก ดูไปเลยโลกข้างนอกก็ว่างอยู่ตลอดอ่ะใจเราต่างหากที่หนักเอาดูทรรมดูทำเออดีนะดีที่เห็นนะเออดีดีเออดีแล้วที่เห็นความดิ้นรนของจิตคือความปรุงแต่งของเขาคาว่นนานิพพานนิพพานนะคือพิสังขารไม่ปรุงแต่ง คิดดูซีว่ามันปรุงทั้งวันดูออกไหมยังมันปรุงทั้งวันมันทุกนะคือทําลองนึกถึงวันที่มันไม่ปรุงนี่มันจะสุขแค่ไหนใช่ใช่เยอะมากดีนะดีที่เห็นบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะไปสักพักนึงกลับมาบ่นเลยโอ้วิธีกรรมฐานของหลวงพ่อไม่ดี คนนี้ดีนะซื่อสัตย์บอกตรงๆเลยแต่เดิมดีฉันนะั้นไม่มีกิเลสมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วกิเลสเยอะจังเลยบอกเมื่อก่อนไม่มีหรอกเพราะว่ากดเอาไว้นะเก็บกดไว้เพ่งลูกเดียวนะแต่ลงไม่เพ่งสิกิเลสที่สะสมเอาไว้ไม่ปลุกขึ้นมาให้ดูแต่ถ้าเรามีกิเลสแนละ้วกดเอาไว้กดเอาไว้เราไม่เคยเห็นมันขึ้นมาเลยเรานึกว่าเราไม่มีกิเลสนะไม่มีวันชนะมันหรอก เขเมองไม่เห็นศัตรูแล้วเราไม่เก็บกดนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดเนี่ยเราไม่กดตัวเองไว้นะจิต ท, ทํางานตามปกติเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดแล้วกุศลอกุศลอะไรก็เกิดเองอ่แล้วเราก็ตามรู้ตามดูไปคล้ายๆว่าอนุใสอนุใสกิเลสกิเลสที่ซ่อนอยู่ใต้จิตสํานึกเรามันทํางานขึ้นมาพอเรารู้ทันเนี่ยใกล้ๆมันขัดผล น, นะมันขึ้นมาแล้วไม่ได้ดอกผลแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วเรารู้ไม่ทัน มันด้าเกิดกิเลสหยาบๆเราตอบสนองมันคล้ายๆมันลงทุนแล้วมันได้กําไรอนุสัยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราเฝ้ารู้มันขึ้นมาไหลแวบเรารู้ขาดไปและเนี่ยมันขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นการมีสติไม่ได้ละกิเลสหรอกแต่ว่าอนุสัยอย่าค่อยๆถุกละไปกิเลสไม่ต้องละเพราะทันทีที่สติเกิดกิเลสก็ไม่มีล้คุณผู้ชายหนีไปคิดทราบไหมแค่นี้นะแค่เนี้ย รู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมาแต่แว บ, บเดียวนะอยู่ได้ไม่นานก็อะไรเพราะมันก็ไม่เที่ยงเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงนี่มีแต่ของไม่เที่ยงไม่ใช่เรียนเพื่อเอาของเที่ยงนะอย่างพวกฤาษีชีปลายเขาพยายามฝึกให้จิตเที่ยงนะให้มันสงบถาวรให้มันดีถาวร น, นะมันก็สงบถาวรชั่วคราวอนะมันก็ไม่ถาวรจริงอสงบอยู่ได้หลายหลายปีอะไรเงี้ยแต่เสร็จแล้วก็เสื่อม แล้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนว่าให้เราทําจิตให้ดีถาวรพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงซึ่งเห็นว่ามันไม่ถาวรหรอกแล้วก็คลายความยึดมั่นได้ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเราเองนะหมดความยึดมั่นตรงนี้ก็หมดความทุกข์ตรงนี้นั้นคนละวิธีกันวิธีของศาสนาอื่นของฤาษีชีไฟเนี่ยเนขะาจะฝึกบังคับจิตให้มันดีอยากให้มันดีถาวรให้สงบถาวร วิธีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็ี่ยนอย่างนั้นท่านดูของจริงเลยจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตนี้เป็นทุกข์จิตนี้บังคับไม่ได้จิตไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์เราอยากให้เป็นสุขจิตบังคับไม่ได้เราอยากบังคับให้ได้นี่เราฝืนธรรมะตลอดเลยธรรมะเลยไม่เข้ามาสู่ใจเราเพราะเราไม่ยอมรับธรรมะแต่ถ้าเรายอมรับธรรมะนะรู้ไปรู้ไปเรื่อยรู้รูปเดียวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก เราก็รู้ถูกต้องเราก็จะเห็นเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธปรรมอันนึงเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเอาใช้รู้สึกนะไม่ใช้เพ่งจ้องใช้แค่รู้สึกวิปัสสนานี่รู้สึกเอาถ้าเพ่งเอาไม่ใช่วิปัสสนาละวอย่างใจเรามีความโกรธเราก็รู้สึกอือรู้สึกถึงความโกรธที่เกิดขึ้นจะเห็นเลยว่าความโกรธเนี่ยมีเหตุเท่าก็เกิด หมดเหตุเขาก็ดับเหตุของความโกรธก็คือเรามีพื้นฐานมีอนุสัยที่โมโหอยู่แล้วเนี่ยพอเราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ชอบกระทบอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยโทสะเ้าเกิดงั้นเวลาเราไปดูอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราไปดูไม่ใช่เพื่อละนะควาโกรธเนี่ยอยู่ในสังขารขันเมื่อมันเป็นขันหน้าที่ต่อขันคือการรู้ไม่ใช่หน้าที่ละทุกให้รู้ทุกคือตัวขันห้า กิเลสอยู่ในกองทุกข์หน้าที่ของเราต่อกิเลสคือการรู้ไม่ใช่การละถ้าเรารู้กิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตจะมีสภาวะที่น่าขึ้นอย่างหนึ่งคือมันจะคล้ายคลเรือลำใหญ่ๆจอดทอดสมอในแม่น้ำอะไรเงี้ยหรือในทะเลเรือเนี่ยจะไม่ไหลาตามน้ำไปแต่เรือจะไม่ต้านน้ำจิตที่มีสติถูกต้องเนี่ยนะจะไม่ลงตามกิเลสไปแต่ไม่ต่อต้านกิเลส จะเห็นเมื่อกิเลสเดินผ่านหน้าบ้านนะเฉยๆเพราอนใจเราก็ไม่กระเทือนเพราะกิเลสแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะ้กิเลสจะเลี้ยวเข้าบ้านเรานะเข้ามาครอบครองจิตใจเราในหนั้นที่เราแค่รู้บ่อยๆนะรู้เรื่อยๆบางคนคิดว่าพอเราไปรู้แล้วเราเก่งนะเราละกิเลสได้ไม่มีใครละกิเลสได้สักคนเดียวเพราะกิเลสเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เอี่ยงเราขับรถอยู่เห็นคนปาดหน้าเราปุ๊บนะเราโกรธนะ แตสังเกตให้ดีนะก่อนจะโกรธเราคิดนิด น, นึงก่อนเราตัดสินเราให้ค่าก่อนว่าทําอย่างนี้ไม่ดีนะแน่ชักแค่ไหนนะอะไรเงี้ยต้องตัดสินก่อนว่าอย่างนี้ไม่ดีพอตัดสินว่าไม่ดีนี่ความโกรธก็เกิดขึ้นมาผลทั่วๆไปพอความโกรธเกิดขึ้นก็ถูกความโกรธครอบงำํำไปกดแรด่าเขาหรือไปขับจะไปปาดคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ยิงกันได้มีคนทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต่างกับเขานิดเดียวนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าเขาปาดหน้าเห็นอย่างนั้นใจคิดขึ้นมาแล้วไม่โกรธไม่ใช่นะ โกรธปกตินั่นแหละแต่ว่าสติมันเร็วพรความกโกรธโผล่ขึ้นในใจปุ๊บสติเห็นล้ว่าความกโกรธโผล่ขึ้นมาเพราะสติเห็นว่าความกโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยความกโกรธจะหายไปถามว่าหายไปเพราะอะไรเพราะเราไปเห็นเข้าหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้หายเพราะเราไปเห็นเข้าถ้าหายเพราะเราไปเห็นเข้ า, ah าก็แสดงว่าเราจัดการได้แต่ความจริงแล้วมันหายเพราะเหตุของมันไม่มีสหเหตุของมันดับความโกรธถึงจะดับ นะความโกรธเกิดจากอะไรเรากระทบอารมณ์ไม่ดีเราตัดสินแล้วนี่เป็นอารมณ์ไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ถูกนะขณะที่เราย้อนมาดูจิตตนเองเห็นความโกรธเนี่ยเราลืมคิดเรื่องนี้แล้วลืมคิดเรื่องเขาปาดหน้าเหตุของมันดับความโกรธเลยดับไปความโกรธดับเพราะว่าเหตุดับไม่ใช่เพราะเราไปดับมันเข้านี่บางคนพอความโกรธเกิดนะหาทางดับนะเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะดับความโกรธหรือรีบไปกําหนดลมหายใจดับความโกรธ รีบบริกรรมโกรธน้อยโกรธน้อยจะให้หายโกรธเนี่ยอย่างนี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยถ้าจะเป็นวิปัสสนาความโกรธเกิดขึ้นรู้สึกลงไปเลยในี่ใจมันกําลังรู้สึกโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วนะพุ่งจากกลาง อ, อกเนี่ยขึ้นถ้าแรงๆก็พุ่งขึ้นหัวเลยครอบหัวครอบหน้าเราเราก็เห็นเห็นสภาวะนี่เหมือนเห็นกิเลสคนอื่นมันเกิดขึ้นไม่ใช่กิเลสเราเกิดขึ้นเห็นเหมือนเห็นกิเลสคนอื่นเลยกิเลสจะไม่มีความหมายอะไรเลย มันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆเหมือนอย่างในอวากาศนะแสงพาดพิษมันผ่านอวากาศมาอวากาศไม่ร้อนขึ้นมันไม่มีอะไรไปต่อต้านมันกระทบคนกระทบอะไรนี่มันมีเต้าที่ต่อต้านึ้นมัมนร้อนขึ้นมาจิตเหมือนกันนะถ้าจิตเรามีสติอย่างแท้จริงจิตจะเดินผ่านกิเลสไปเฉยๆจิตจิตจะไม่ร้อนขึ้นมากิเลสกับจิตไม่มกระเทือนกัน ใครรู้ใครดูนะหลักของศาสนาพุทธนะเป็นศาสตร์อันหนึง่งต้องเรียนต้องค่อยๆฟังเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากถ้าเรียนได้เข้าใจได้แล้วจะมีความสุขในปัจจุบันไม่ใช่หาความสุขแต่ในอนาคตศาสนาพุทธสอนเราเพื่อจะมีความสุขเดียวนี้เลยไม่ใช่สุขชาติหน้านะสุขชาติหน้ามันอินโนเซนต์ไปต้องเดี๋ยวนี้เลยถ้าเรารู้ว่าความทุกข์เกิดได้ยังไง ความทุกขเกิดขึ้นมาเพราะว่าจิตมันดิ้นรนมันมีความพยายอยากมันอยากสุขมันเกลียดทุกข์เพราะมันก็ดิ้นดิ้นไปสติเราไวเรารู้เท่าทันมันมันก็เลิกดิ้นแต่ไม่ใช่ห้ามมันการห้ามมันการบังคับมันไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกเป็นเรื่องของสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมถะมีประโยชน์นะเอาไว้พักผ่อน เพรนเราอย่างเราเวลาเราปฏิบัติทำเราเหนื่อยแล้วเรามั่วสั่วแล้วดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเี่เป็นเวลาทําสมถะมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้สบายใจหรือหายใจเข้าหายใจออกให้สบายใจไม่ได้หายใจเอาเคลิ้มนะไม่ได้พุโทโธให้สงบด้วยพุโทโธเล่นๆถ้าทําเล่นๆแล้วจิตจะสงบเร็วถ้าอยากสงบจะไม่สงบเลยนี่เป็นเคล็ดลับนะกว่าจะได้เคล็ดลับแต่ละตัวเหนื่อยนะ หลงพ่อบอกให้ฝีๆก็จำๆไปบ้างงั้นเวลาเราต้องการทําความสงบเนี่ยทําเล่นๆถ้าทําจริงจะไม่สงบมันอย่างเรานอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยอยากหลับเนี่ยมันไม่หลับหรอกแต่ถ้าเราวันไหนนอนไม่หลับนะเราทําใจเลยโอ้โชคดีวันนี้เดี๋ยวเราจะนอนดูจิตทั้งคืนเลยห้านาทีก็หลับแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อยากหลับจิตก็เหมือนกันอยากให้มันสงบอย่าไปอย่าไปบังคับมัน ดูมันเล่นเล่นดูมันสบายสบายถ้าพอมันสบายแล้วมันจะสงบนี้พอจิตใจเราสงบแต่และ ว, วันนะทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วกลับบ้านไหว้พระสวดมนต์ไม่พระไม่ต้องรีบร้อนนะไหว้พระจริงๆก็คือ ก, การทำสมาไปในตัวเองเนั้นสวดมนต์สวดให้มันสบายใจไม่ต้องสวดเยอะหรอกนะเราห้งสัมมานโมตสัสสะอิติปิโสสวักดาโตสุปฏิปันโนอะไรแค่นี้พอแล้วล่ะ สวดไปสวดช้าๆสวดไปให้สบายใจสวดแล้วก็ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรก็ะระลึกไปจิตใจมีความสุขนะหรือวันไหนไม่มีเวลาสวดยาวนะพุทโธธรมโมสังโฆ ท, ท่องเล่นๆก็ได้นะเดี๋ยวก็มีความสุขบางคนก็ท่องพุทโธเมนาโธธรรมโมเมนาโธอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเขาทำเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะไม่มีเวลาจะสวดเลยนะ แค่กราบพ้ากราบให้เป็นก็มีความสุขนะมีเคล็ดลับนะกราบ้าะให้มีความสุขเวลาเราก้มลงไปกราบกราบพระพุทธรูปเราทำความรู้สึกในใจให้นมาเหมือนกับเรากำลังกราบอยู่แทบพระบาทพระพุทธเจ้าเหมือนท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเรากราบลงที่เท้าท่านทำความรู้สึกอย่างนี้ได้บุญเยอะนะจิตจะจมีปีติมีความสุขขึ้นมาได้ แม้แค่นี้ก็มีความสุขมีความสงบนละ้รพอจิตใจมีความสุขมีความสงบมีกำลังแล้วเราก็มาดูจิตดูใจของเราต่ออาตมาไปทําถึงขนาดเมื่อก่อนทำงานนะนี่ไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะเล่าไม่ถือกันนะทำงานมันเหนื่อยแล้วหัวก็หมุนจีๆแล้วเหนื่อยแล้วลุกไปห้องน้ำไปฉี่ตอนที่ลุกขึ้นมาจากโต๊ะทำงานเนี่ยหัวหมุนจีเลยดูไม่ได้หรอกจิตนะ่ะ คิดมาจนชุลมุลนไปหมดแล้วรู้ร่างกายเี่เห็นร่างกายของเราเนี่มันเดินไปห้องน้ำํำเห็นร่างกายมันไปยืนฉี่นะพอมันฉี่เสร็จแล้วมันสบายใจฉี่เสร็จแล้วมันสบายใจรู้ว่าสบายใจกลับมาดูจิตได้ละเดินออกจากห้องน้ําเจอเพื่อนเราทักทายกันหน่อยหนึ่งแหมมันเล่าอะไรตลกดิขมดิขมรู้ว่าขมนี่ได้ปฏิบัติอีกแล้วนะเดินกลับมาทํางานต่อ จริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปถ้ารู้ไม่ได้นะก็ทำสมาธิหนีไปคิดทราบไหมให้คอยรู้ทันเป็นแค่เนี้หนีไปคิดอีกแล้วทําบไหมไม่ห้ามนะเราห้ามไม่ได้เราไม่ได้เรียเพื่อห้ามศา ส, สนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเก็บกดแต่สอนให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงก็คือจิตเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดอะไรเงี้ยอย่างนั่งฟังอ่ะตมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าตมาเดี๋ยวก็ฟังอ่ะตมาพูดฟังแล้วก็คิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วคิดดูแบบไหมการที่เรารู้ทันตัวเองวนะ่าอ๋อจิตมันไปฟังจิตมันไปคิดนี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติเลยสุดยอดของการดูจิตเลยนะมันเป็นการรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตเลยจิตไปฟังรู้จิตไปคิดรู้ ว่ตลอดวันของเราก็มีอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะสามทวาร น, นี้ใช้เป็นหลักๆส่วนในริมรสอะไรนะั้นมันก็น้อยหน่อยไม่กินอาหารมันก็ไม่รู้รสหรอกอย่างน้ําลายเราเราไม่รู้รสแต่ถามว่าน้ําลายมีรสไหมมีนะวัต ถ, ถุธาตุทั้งหมดมีรสทั้งสิน้นแต่ว่าเราคุ้นเคยยังไม่รู้รสนะสังเกตไปนะพออาตมาหยุดพูดรู้สึกไหมหนีไปคิดเลย กรโดดอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บ ป, ปุบางคนคิดเรื่องอื่นไปเลยนะห้ามไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อห้ามนะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้นะวันหนึ่งใจเราอยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้ เ, นเป็นของห้ามไม่ได้นะไม่เพียงเป็นทุกข์ห้ามไม่ไดนะ้นั่นแหละพระโสดาบันเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าไม่ใช่ดูแค่นี้เราเรียกว่าโสดาบันนะเหมันต้อมีผ่านกระบวนการตัดสินความรู้แวบบหนึ่ง แว็บหนึ่งไม่ใช่บูดหมดความรู้สึกนะแล้วบอกบรรลุไม่ใช่นะถ้าจิตดับหมดนะอสัญญีเป็นสมลุกปักเป็ขนขณะจิตที่บรรลุมากคว่นี้ผ่านมีจิตแลไม่ใช่ไม่มีจิตมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกเจตสิกสามปีกว่าตัวมีครบทําอะไรอยู่เมืแ่อบบกี้นี้แค่รู้สึกขึ้นนะ่ะ เราอย่ย่าถลําเข้าไปอันนั้นมันถล่าเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองแล้เข้าไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็รู้สึกขึ้นมารู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรยากเอาคุณผู้ชายนะั้นใจลอยไปแล้วรู้สึกไว้นี่ล่ะกลัวหลวงพ่อไหมกลัวรู้ว่ากลัวนะหลวงพ่อไล่ไม่ได้เรื่ยกลัวไปด้วยนะกลัวรู้ว่ากลัวไม่ห้ามบางคนบอกดูจิตยากโอ้ยหลวงพ่อ เคยถามเด็กเล็กๆนะเด็กมันยังดูเป็นเลยนั่นอายุกี่ขวบแล้วหนุ่มเนี้ยสิบแล้วหรอกล้าพูดกับหลวงพ่อใช่ไหมโกรธเป็นไหมเคยโกรธไหมรู้จักไหมโกรธเป็นไงรู้รู้สึกไหมเวลาเราโกรธเรารู้ไหมว่าโกรธออนะแล้วเคยตะกราบไหมเคยใช่ไหมเคยอิจฉาบ้างไหม โอเคยกลัวไหมเคยกลุ้มใจไหมโอ้เคยดีใจไหมเคยเสียใจไหมเอาใครไม่บอกดูจิตไม่เป็นถามเด็กนี่ได้นะหน้าที่ของเราก็คือขนาดนี้ยความรู้สึกอะไรมันกําลังเกิดอยู่เราก็รู้ไปมันรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้ยกตัวอย่างสมมติเราเห็นนางงามจักรวาลเดินมาใจเราเกิดไปรักเขาแล้วมีราคะ คนทั่วๆไปพอเห็นสาวเดินมาแล้วสวยนะจะมัวแต่ดูสาวนักปฏิบัติเหรอเห็นสาวสวยเดินมาโอ้ใจเราชอบเขารู้ว่าใจเราชอบเขานี่นักวิปัสสนานะถ้านักสมถะจะรีบดูผู้หญิงนั้นไหม่มีแต่หนังหุ้มไปดูโผกโผกโผลโผลนะนี่หลอกตัวเองแล้วก็ราคะหายไปนี่คนอ่านกันระ ว, ว่าสมถะกับ ว, วิปัสสนานะงั้นเราเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบนะสุธรรมชอบ การชอบรู้ว่าชอบจะเห็นเลยความชอบหรือความรักหรือโลภะาาหรือราคะตัวนี้เป็นสิ่งที่ผ่านมาในใจเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่นักปฏิบัติถ้าท่านนักไม่ได้ปฏิบัติก็จะเห็นแต่สาวฟังเพลงฟังเงพลงเพล้ออย่างถ้ารุ่นหลวงพ่อรุ่นท่านทวีชัยก็ฟังเพลงโบราณโบราณใหม่แล้วมันเพล้อฟังเพลงเด็กสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออก ได้ยินแล้วรำคาญเนี่ยรำคาญรู้ว่ารำคาญฟังเพลงแล้วมันเพราะใจมันชอบอเสิ่เตืนนะรู้ว่าใจเราชอบถ้าคนทั่วๆไปฟังเพลงจะรู้อะไรรู้ว่ า, น, านักร้องคนนี้ชื่ออะไรนะมันอยู่วงไหนอะไรเงี้ยอย่างนั้นคนทั่วๆ่วไปเขารู้กันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้ถึงจิตถึงใจของเราฟังเพลงนี้แล้วมันมีความสุขรู้ว่ามีความสุขชอบรู้ว่าชอบแล้วจะเห็นเลยความสุขและความชอบเนี่ยนะ อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาไปนี่เห็นอย่างนี้เดินเดินอยู่ได้กลิ่นดอกไม้หอมพวกที่มาบ่อยๆห้ามตอบนะ <c oughs> มีคนหนึ่งมามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อผมภาวนาเป็นรับง่ายมากเลยถ้าผมออกจับสาราเนี่ยนะได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมผมภาวนาเก่งแล้เนี่ยถูกไหม ใครว่าถูกใครว่าไม่ถูกมัไม่ถูกไงเพราะว่าคำบอคนที่ที่คิดก็คือหนดกำหน ด, ดวาได้ไหมอ่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ้าใครมีคําตอบอื่นอีกไหม <c oughs> ถ้ากําหนดก็ผิดหมดนะนะที่จริงก็คืออย่างคนได้กลิ่นดอกไม้หอมเนี่ยไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้เห็น <c oughs> ไหม แต่ว่าถ้าเราได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบเนี่ยรู้ว่าใจเราชอบใจเราเกิดสงสัยว่านี่มันดอกอะไรนะรู้ว่าสงสัยนะเพราะงั้นเมื่อตามองเห็นความรู้สึกเกิดที่จิตเราก็รู้ทันเช่นเห็นนางงามจักรวาลใจเรารักเนี่ยเราก็รู้ทันโอ้เราได้ยินเสียงได้ยินเพลงนี้เพราะใจเราชอบเราก็รู้ทันว่าใจเราชอบได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบหรือใจเราสงสัยว่าดอกอะไรเราก็รู้ทันอีกมันชอบก็รู้มันสงสัยก็รู้ เน่คยครรู้ทันใจของเราไปด้วยบางทีเราก็นั่งคิดนะคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้คิดถึงใครสักคนหนึ่งคนทั่วๆไปก็จะรู้ว่าอ๋อวันนี้คิดถึงท่านทวีชัยคิดถึงคุณกบคุณแมวอะไรเงี้ยคนทั่วๆไปรู้อย่างนี้แต่เราก็รู้มากกว่านั้นหน่อยหนึ่งรู้ทันใจเราพอไปคิดถึงท่านทวีชัยแล้วรู้สึกหน้าเริ่มใส่อะไรเงี้ยเริ่มใสรู้ว่าเริ่มใส่คิดถึงอ่าว่ามาันคือการการพิจารณาคืการตามตามตาม ถ้าถ้าถ้าดูจิตนะต้องตามนะถ้ารู้กายรู้ปัจจุบันนะรู้รูปรู้ลงปัจจุบัน ร, รู้จิตตามรู้นะทําไมต้องตามเพราะว่าอย่างใจเราเผลอไปขณะที่เผลอมันไม่มีสติหรอกนะแต่ว่าพอสติเกิดเนี่ยมันจะเลิกเผลอแล้วพอมันรู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอนะปัจจุบันจะไม่เผลอเพราะมันจะเป็นการตามหลังตลอดนะคุณจับประเด็นเก่งถูกแล้วต้องตามถูกแล้ว บางคนพยายามจะดูให้ทันจะคอยจ้องไว้ทั้งวันเลยอยากรู้ว่าเผลอตอนไหนอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไปดักไว้ก่อนไม่ถูกนะต้องตามรู้มันโกรธขึ้นมาก่อ น, แ ล, น, นแล้วรู้ว่ามันโกรธมันโลแล้วรู้ว่ามันโลบนะดีจับประเด็นดีเหมือนในสติปัฏฐานท่านสอนนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะมีราคะขึ้นมาก่อนแล้วก็เลยรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะท่านไม่ได้สอนให้ไปดักไว้ก่อนอย่าดักไว้นะอย่าดัก เอาปฏิเวสส่งกันบ้านหน่อยหอลงบ่อยดีนะนชอบนะคนหลงบ่อยไม่ชอบคนหลงนานเสือไปแล้วหรู้ไหมแอบไปคิดแล้วหรู้ไหมเมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้แอบไปคิดแล้วคุณบอกไม่ใช่แต่ว่ากําลังไปคิดเรื่องนี้หลวงพ่ลังคิดคำว่าวาสีครับไม่เอาไม่เอาไม่เอานะ ทำอะไรก็ไม่เอาจิตเราแอบไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไปคิดแค่นี้พอละเชื่อหลวงพ่อนะเชื่อหลวงพ่อแล้วพัฒนาเร็วนะถ้าเราไปคิดเนี่ยเราจะไปเรื่อยๆคิดเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกแต่ถ้าเรารู้เราจะเห็นเราจะรู้ทันใจของเราใจเราแอบไปคิดรู้ทันใจเราวิ่งไปฟังรู้ทันลใจเราวิ่งไปดูรู้ทันวันนึงหนเห็นความจริงของจิตใจใจิตใจไม่เที่ยงใจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเราบังคับไม่ได้ดูให้เห็นตรงนี้นะ จะได้บรรลุธรรมว่อๆอ้าวทางนี้ว่างไงทางนี้มาหลายปีแล้วสองคนนี้เป็นไงบ้า ง, งาเออเผอนาน <c oughs> อย่าเผอนานนะัก <c oughs> เอออืมหันรู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกเรื่อยๆคือถ้าใจเรามีฉันทะ มีความรักมีความพอใจที่จะคอยรู้จิตใจตัวเองนะั้นมันจะขยันดูอย่างหลวงพ่อนะตอนเจ็ดขวบปีศูนย์สองหลายคนยังไม่เกิดพ่อโยมพ่อพาไปกราบท่านพ่อรีวัดโสการามเพ่ได้เรียนอนาปนสติมาหายใจเข้าหายใจออกแต่เราเด็กนะั้นไม่ได้ไปเรียนต่อหรอก ผู้ใหญ่เขาไม่พาไปแล้วก็ฝึกของเราอยู่แค่นั้นหายใจอยู่ยี่สิบสองปีเนะีนะ่ยเสร็จแล้วได้ยินครูบาอาจารย์วัดป่าทั่วๆไปท่านพูดบอกว่าถ้าใจสงบแล้วพิจารณากายนะท่านสอนอย่างนี้กันส่วนใหญ่ใจมันไม่เอาใจมันไม่คุ้นเคยกับการพิจารณากายไม่ไม่ถูกกัจจิตมันดูยังไงมก็รู้สึกไม่ประทับใจนะต่อมาไปเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าให้ดูจิตตัวเอง ก็ได้ยินคําว่าให้ดูจิตตัวเองให้อ่านใจตัวเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรู้สึกน่าสนใจมันคืออะไรนะมันอยู่ที่ไหนนะเราจะรู้มันได้ยังไงพอหัดตามรู้ตามดูก็เห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันยมีอะไรแปลกใหม่ให้รู้ใ ห, รให้ดูทุกๆกวันไม่เคยเหมือนกันหรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกน่าสนใจเยพอรู้สึกว่าน่าสนใจคือฉันท่ามันเกิดพอใจที่จะรู้ขยันดูที่สุดเลย คูบาาจารย์ไม่ต้องมากระเกณ์นะว่าให้ดูวันละกี่ชั่วโมงดูตั้งแต่ตื่นเลยคุณดูเองเพราะว่ามันชอบดูมันอยากดูเห็นเลยทำไมบางวันมันเศร้าหมองบางวันมันผ่องใสบางวันมันหนักเป็นก้อนเบื่อเลยบางวันก้อนนี้ก็เล็กลงบางวันก้อนนี้หายไปเคยเป็นไหมมีก้อนอยู่ก้อนนึงนะบางวันมันขยุกขยิบขยุกขยิกได้บางบางความรู้สึกก็พุ่งขึ้นมาบางอัานหมมันเหมือนฟ้าแลบเป็นแฉกแจกแจกแจกก็มี รู้สึกไอ้เปนแปลกจเลยสนใจมากเลยคอยรู้คอยดูทั้งวันเนี่ยพอฉันท้าเกิดนวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรก็เกิดเกิดเองไม่ต้องเชื้อเชิญจิตตะคือความใส่ใจก็เกิดมันสนใจมันก็คอยใส่ใจคอยรู้คอยดูด้วยจิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นเลยคอยเข้าเ ค, าคลียร์ศึกษาเรียนรู้อยู่แต่เรื่องจิตเรื่องใจตนเองนี่เรียกว่าวิมังสาไข้ครวรอยู่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราขยันรู้ขยันดูนดูอัตโนมัติดูทุกวัน สนุกในการรู้การดูไม่ใช่ดูโดยหวังผลด้วยนะไม่ได้คิดเลยว่าดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกแค่ว่าจิตใจเป็นของหน้าเรียนรู้นะแล้วก็ตามเรียนรู้ไม่สนใจเลยนะว่าผลคืออะไรยังไม่เหมือนกับตอนเด็กๆยี่สิบกว่าปีผ่านมานะทําโดยหวังผลตลอดเลยนะเอ้เราก็หายใจมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีอะไรเงี้ย น, นะทําแบบหวังผลทําแบบหวังผลนีล่ทํำด้วยตัณหา ตันหานี่นะขี้เกียจทําเหตุนะแต่อยากได้ผลนะส่วนฉันทะเนี่ยขยันทําเหตุไม่สนใจผลหลอกผลมันได้เองคล้ายๆคนสองคนนะทํางานด้วยกันคนหนึ่งรักงานเนะี่ยคือพวกมีฉันทะพวกรักงานพวกนี้ทํางานด้วยความสุขทุกวันเงินเดือนออกหรือเลื่อนขั้นเลื่อนสี่ก็มีความสุขแถมมาอีกคนหนึ่งขี้เกียจทํางานฝืนใจทํำนะอยากได้แต่เงินเดือน น, นี้เดือนหนึ่งมีความสุขครั้งเดียวนะกปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกว่าจิตใจของเราน่าสนใจน่าตามรู้ตามดูมันจะขยันดูนะแล้วมีความสุขที่ได้รู้ได้ดูด้วยอีกคนหนึ่งอยากบรรลุลูกเดียวเลยนั่งเพ่งนั่งเพ่งเพ่งไปก็โมโหมเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีนะก็ทาด้วยตัณหาปรับใจเราให้ดีแค่รู้สึกว่ามันน่าเรียนรู้นะแล้วก็ตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็น ตามรู้อย่างที่คุณนี่บอกตามรู้ไปเรื่อยๆอาคุณโน้นเป็นไงพาวนาเป็นยังไงบ้างรเรื่อ ย, อยแปลว่าอะไรเรื่อยๆ <c oughs> อประโยคนี้นะหลวงพ่อได้ยินทุกวันเลยเรื่อยๆ <c oughs> แต่แปลไม่ออก <c oughs> <c oughs> เอออย่างงั้นสินะ <c oughs> ให้มันเห็นบ้างก็อย่างดีนะ เรื่อยๆผมไม่ได้ดูเลยเห็นแล้วมันมีความสุขนะเห็นรู้สึกไหมแค่รู้มันก็มีความสุขนะกรรมฐานเลยไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดทาแล้วมีความสุขสมพพงดีแล้วนะสมพงอ่ะนันหละอยู่ข้างตู้รู้เรื่องบ้างไหมเมืม่อบ่อยเลยใช่ไหมเออดีถ้ารู้จักเมือนะ แทบจะปฏิบัติได้แล้วเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราเหม่อบ่อยที่สุดไม่เฉพาะคุณนะทุกคนแหละแต่ละคนนะวันหนึ่งวันหนึ่งเหม่อนัครั้งไม่ถ้วนใจลอยไปเรื่อยลอยไปบางทีลอยไปคิดอะไรก็ไม่รู้บางทีก็รู้เรื่องที่คิดนะแต่ขนาดที่เรารู้เรื่องที่คิดเราก็ลืมตัวเราเองนึกออกไหมนะคอยรู้สึกไปอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะคอยรู้สึกบ่อยๆมันลืมแล้วก็รีบรู้ไวๆ อ่ะคุณที่ผมสั้นๆอะ่ะเป็นไงไปบวชมาหรือไงไม่หยุดไม่หยุดนะการบังคับจิตให้หยุดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสมถะของเราจะตามรู้เขาจิตใจของเราไม่เคยหยุดเลยทั้งวันดูออกไหมจิตใจนะ่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูออกไหม ความสุขความทุกข์เนี่ยหมุนขึ้นมาทั้งวันเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยอย่างเนี้ยพอดูได้ไหมดูสามอย่างใจเรามีความสุขก็รู้นะใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยเฉยก็รู้นี่คุณไปดูสามอย่างนี้ก็พอละนะเนี่ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมนั้นเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะคอยรู้ไปเรื่อยๆหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม สังเกตไม่เวลาเราไปคิดนะเราจะรู้เรื่องที่เราคิดแต่ขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมตัวเราเองกายเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ในอิริยาบถอะไรกระตุกกติกอะไรเราไม่เห็นจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นะเวลาที่เราเผลอไปอคุณผู้ชายคนนี้มาหลายปีแล้วเ อ, อแล้วเป็นไงดูออกหรือยังนะ อึดัดนะัมันเกิดจากจงใจอ่าเราพอเราจงใจบังคับเหมือนที่หลวงพ่อเทียบกับเด็กตะเี้ยวเมืเราอยู่ๆเราก็จับเด็กมามานะัดน่นเด็กมันอนึดัดใช่ใช่เพราะเราไม่ได้บังคับมันเด็กมันได้ไปวิ่งเล่นห น, น้าที่ของเราก็คือปล่อยให้เด็กมันวิ่งเล่นแต่ว่าเด็กมันวิ่งไปทางไหนนะก็คอยรู้เป็นระยะระยะ ไม่ห้ามนะเอะเราไม่เรียนเพื่อจะห้ามเลยนะอะแค่นั้นพอแล้วเห็นแค่นั้นพอแล้วนะนั่นปฏิบัติเสร็จแล้วขั้นแรกสุดเลยนะหลวงพ่อแนะนําพวกเราทุกคนขั้แรกสุดถือศีลห้าไว้ก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใช่มนุษย์เก็บกดแล้วถ้าเราไม่เก็บกดเนี่ยเดี๋ยวกิเลสครอบงาเราได้แล้วเราไปทําขิดศีลห้าไปละเมิดคนอื่นเขานั้นตั้งใจไว้ก่อนเราไม่ละเมิดศีลห้า หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คอยรู้ทันใจของเราไม่เก็บกดนะเดี๋ยวก็มีโลภเดียเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวยังงนอย่างนี้คอยรู้เรื่อยๆ ใ, ใจมันวิ่งวับแวบวับแวบดูออกไหมล่ะเออนั่นแหละเรียกว่าทําแล้วนะเพราะงั้นต่อไปนี้นะคอยดูใจที่วิ่งวับแวบๆบแวไปเรื่อยไม่ได้ไปหยุดเท้านะรู้เฉย รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยควาว่าจิตไม่เคยหยุดนิ่งเลยก็คือจิตนี้เป็นอนิจจังนั่นเองนะแค่นี้พอนะพอไหวไหมอย่างนี้แค่ดูว่าเขาวิ่งวับวับวับวบนะไม่ใช่ไปบังคับเขาให้นิ่งพราะคุณไปบังคับมันจะแน่นเป็นก้อนขึ้นมาเราไม่ได้ฝึก บ, บังคับถูกต้องแล้วนะต้องเผลอไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่าเผลอ แต่ว่าต้องเร็วหน่อยนะไม่ใช่เมื่อวานนี้เผลอหรือเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ได้นะช้าไปเผลอไปแวบๆไปเนี่ยเราก็รู้ขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเห็นไหมคุณดูสิว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติน่ะเรื่องง่ายๆเลยเราไม่ได้บังคับอะไรซึ่งนิดหน่อยเราคอยรู้กระบวนการทํางานอย่างที่เขาเป็นเท่านั้นแหละจะเห็นเลยจิตใจแอบไปทํางานตลอดวันวับแวบวับแว บ, บไปเรื่อยนั่นั่งข้างตูวใจลอยไปแล้วรู้ไหม อ่ะคุณผู้ชายนั้นเป็นไงบ้างเออแค่นั้นก็พอละคือจริงๆแล้วอย่างจิตตานุปัสสนานะฟังแล้วดูเยอะนะพุทธเจ้าสอนจิตมีราคานะก็รู้ว่าจิตมีราคาะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคาะจิตมีโทสะ นะหรือจิตไม่มีโทสะนี่ก็อีกคู่หนึ่งจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็อีกคู่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านหรือจิตหดหู่นี่ก็อีกคู่หนึ่งจิตมีโมหะ้ว like жизнь, มันเผลอๆไปเกิดจิตที่มันรู้ขึ้นมารู้สึกขึ้นมาจะเห็นว่ามีหลายคู่แท้จริงแล้วเวลาปฏิบัตินะแค่คู่เดียวก็ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดได้แล้วเช่นจิตเผลอไปตอนนี้จิตเผลอไปพอเผลอไปแล้วเดี๋ยวก็มีราคะโทสะอะไรตามมาก็ช่างมันเถอะแค่รู้ว่ามันเผลอนะจิตขนาดนี้ไม่เผล่ละ แค่หนึ่งคู่ก็พอแล้วง่ายขนาดนี้ไม่ใช่เยอะอะไรเลยมันไม่ต้องเรียนเยอะหรอกหรือจิตมันมีโทสะเราไม่ดูอย่างอื่นเลยดูแต่จิตที่มีโทสะอย่างเดียวมันก็จะคู่กับจิตที่ไม่มีโทสะเห็นเลยตอนนี้จิตมันโมโหละเออดูมันโมโหอ้าวพอดูไปปุ๊บมันหายโมโหล้วเพราะจิตตรงนี้มันไม่โมโหดูไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันก็ไปกระทบอารมณ์อื่นนะมันก็โมโหขึ้นมาอีกงั้นสติปัฏฐานที่ท่านให้เป็นคู่คู่นะ แค่คู่ใดคู่หนึ่งก็ครอบคลุมการปฏิบัติหมดแล้วแต่ถ้าเรารู้ได้ทุกตัวน้ะก็รู้ได้ละเอียดขึ้นสติก็ว่องไวขึ้นหัดมาจากไหน อย่างนั้นได้สมถะได้สบายนะนี่พอหายใจไปแล้วช่วงหนึ่งพัฒนาต่อไปอีกอย่าหยุดแค่นี้นะแค่นี้แค่ๆเราเจอศาสนาพุทธเราเจอคุมสมบัติแล้วเรามาเอาสมบัติเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่น้อยนะได้ความสุขความสงบมันก็ดีกว่ามนุษย์แทบทั้งโลกแล้วนี่ถ้าจะเอาต่อไปก็คือนั่งไปแต่จิตเราสงบหรือว่าสงบนั่งแล้วจิตมันหนีไปที่อื่นเรตามลมอยู่จิตหนีไปที่อื่นรู้ทันว่าหนีไปที่ืไม่ห้ามไม่ห้าม นั่งไปเพื่อจะหัดรู้จิตใจตนเองนะจิตเป็นสุขก็รู้จิตมีปิติก็รู้อะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอเรารู้ทันจิตใจชํา น, นิชํา น, นานแล้วเรามาอยู่ในโลกข้างนอกนี่คล้ายๆเราเข้าค่ายซ้อมมวยไปแล้วเราไปนี้โชคจริงละโชคจริงๆก็คือออกมาอยู่กับโลกธรรมดาเนี่ยตามองเห็นเนี่ยใจเราดีใจแล้รู้ทันเพราะเราเคยหัดดูใจของเราตั้งแต่ตอนนั่งหายใจนะทําอย่างนี้นะแล้วมันไปไดนะ้อย่าหยุด น, นะจะได้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ละต้องเอาให้ได้อ้าวเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหม <c oughs> นี่คุณที่นั่งตีกิดสุธรรมอ่ะรู้จักใจลอยไหม <c oughs> รู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อเมื่อไหมเคยเป็นไหมอ่าต่อไปนี้พอมันใจลอยหรือมันเหม่อนะรู้ให้ไหวๆหน่อยเนี่ยมันเม่อไปคิดอีกแล้วดูออกไหม <c oughs> มันดูยากนะค่อยๆค่อยๆฟังนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นอย่าใจร้อนถ้ารีบร้อนจะยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งไม่ได้เรียนธรรมะใจเย็นๆค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปอ่ะคุณนี่แหละเหลืออยู่คนเอ็มที่ใส่แว่นตาเออทั้งแรกแล้วเป็นไงง่ายมันไม่ยากนะหลวพ่อจะบอกอะไรให้อย่าง ถ้าเมื่อไหร่ลงมือทํานะเมื่อไร่พยายามนะยากสุดขีดเลยแต่เมื่อไหรไม่ต้องทําอะไรนะใจเราแอบไปทําอะไรเราคอยตามรู้ง่ายสุดขีดเลยเพราะเราไม่ต้องทําอะไรเราเป็นแค่คนดูทําตัวเป็นคนดูเมื่อวานมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนมาคนเป็นนักวิจัยบอกเวลาเราเรียนธรรมะนะก็เหมือนเราทําวิจัยเรื่องหนึ่งเรียกว่าธรรมวิจัย เนี่ยภาษาศาสนาพุทธโก้เก๋มากนะชื่อธรรมวิจัยนี่ใช้คําว่าวิจัยมาก่อนตั้งหลายพันปีแล้วธรรมวิจัยก็คือหันมาวิจัยธรรมะก็คือรูปธรรมคือกายหรือนามธรรมคือจิตใจของเราเนี่ยอย่างเวลาเราจะทําวิจัยทางโลกเนี่ยเราไม่นั่งคิดเอาเองเห็นไหมนั่งคิดเอาไม่ใช่การวิจัยแล้วการที่เราจะดูกายดูใจเราก็ไม่นั่งคิดเอาเองเราต้องดูของจริง กายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราจะศึกษาใจเป็นตัวอย่างที่เราจะศึกษาเอามันมาดูดูซิว่ามันทานํางานยังไงมันเป็นยังไงมันสุขมันทุกข์มันเป็นยังไงไดูพฤติกรรมของมันไปเรื่อยๆอย่างนี้คล้คายๆทําตัวเป็นผู้สังเกตการเป็นนักวิจัยไม่ใช่เป็นนักจัดการนะพวกเรานักปฏิบัตชิชอบทําตัวเป็นนักจัดการแช่จิตไม่สงบจะต้องให้สงบจิตมีราคะจะต้องปราบมันให้ได้นะพิจารณาสุภาษนี่เป็นนักจัดการ นักจัดการแล้วก็ไม่ได้ความจริงหรอกเขาทําตัวเป็นผู้เผด็จการนะแต่ถ้าอยากได้ความจริงนะทําตัวเป็นผู้สังเกตการ์ดข้าพามีในพลคนหนึ่งในพลทหารบกนะอบบอพลหนึ่ ง, นะอองไม่รู้ย้ายไปหรือยังเคยมาเรียนที่บอกท่านบอกว่าถ้าท่านในพลอยากรู้ว่าลูกน้องท่านเป็นยังไงนะท่านอย่าไปยืนดูมันนะต้องแอบดูมัน ถ้าเราอยากดูจิตใจของเรานะเราอย่าไปจ้องใส่มันนะมันนิ่งหมดเลยมันเรียบร้อยหมดเลยต้องดูอยู่ห่างๆนะชำเรืองชำเรืองเนะแอบดูมันถึงจะเห็นความจริงว่ามันร้ายแค่ไหนนื้หัดรู้ไปไ้อะของง่ายอย่าคิดมากนะคิดมากยากนา น, นแอบไปคิดแล้วาแล้วควนนีนะ้มาจากไหนเหลือมาด้วยกันรู้เรื่องอยัง หัดดูใจเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี diamond, <femme> ๋ยวก็ดีเดี <Airbnb> idad, uh, ๋ยวก็ร้ายอย่างคนมาเอาใจเราเราก็ดีใจใช่ไ้ยคนมาขัดใจเราเราก็ไม่พอใจเนี่ยพอเราดีใจเราก็รู้เราไม่พอใจเราก็รู้เราคอยดูใจเราอีกหน่อยเราไม่สนใจเราใครจะเอาใจเราหรือไม่เอาใจเราเพราะเรารู้ว่ามันเอาใจเรานะเราก็ดีใจเดี๋ยวเดียวอย่างเงี้ยเมื่อขัดใจเราเราก็โกรธเดี๋ยวเดียวเป็อะไรสบายไม่แกว่งขึ้นแกงลง อาจันปูจันปูก่างไงเอ่อง่วงร่วงง่วงนะง่วงกายหรือง่วงใจแล้วมันน่าจะง่วงกายเัราอากาศมันเป็นใจแล้วเพิ่งฐานข้าวด้วยนี้ได้คิดอีกละเนี่ยไปดูเข้าลืมตัวเอง เป็นไปหัวล้อหัวล้อเมื่อกี้ตอนหัวล้อนึกออกไหมเรานั่งอยู่นี่เราลืมไปแนละ้ใจเราเราจะลืมตัวเราเอางทั้งวันแต่เนี้ยแอบไปคิดแล้วรู้ไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเอให้คอยรู้ทันมันจิตนะไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาเลยจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหม หลวงพ่อเตียนสอนดีนะหลวงพ่อเตียนบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตติคิดนะถ้ารู้ว่าจิตติคิดเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติถ้าทันทีที่เรารู้ว่าจิตติคิดเนี่ยจิตเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้กายตามความเป็นจริงได้รู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยคือการปฏิบัติเพรฉะนการรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้ทันใจที่หนีไปคิดปุ๊บก็ตื่นเลยหนีไปคิดแล้วทราบไหม ตื่นเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมมันมีนิดนิดหนึ่งแวบแวบขึ้นมาสั้นๆไม่อยู่ยาวหรอกเพราะมันไม่เที่ยงหนี้ไปคิดใหม่แล้วทราบไหมเริ่มสัมรวมแล้วทราบไหมเนี่ยเราพยายามบังคับมันเรารวบเข้ามาคล้ายๆเรารวบเข้ามารู้สึกไหมเสร็จแล้วเราจะผักคลองเอาไว้อันนี้เป็นหลักของสมถะแต่หลักของวิปัสสนาก็คือพอใจเราไปรวบเข้ามาอย่างนี้เราก็รู้ทันมัน รู้ตามที่เขาเป็นเนี่ยหลักของวิปัสสนาหลักของสมถะจิตไม่ดีทาให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบหลักของวิปัสสนานะจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้จนเห็นความจริงเลยไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองอะไรน ะ, ะรทำไมนะอารมณ์มันก็มีสองอันนะอารมณ์ภายนอก อย่างอารมณ์เนี่ยต้องแปลอารมณ์กันอารมณ์ไม่ใช่แปลว่าความรู้สึกอย่างภาษาไทยนะอารมณ์ในทางศาสนาพุทธเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าสิ่งที่มันถูกรู้อ่นะสิ่งที่ถูกรู้นะคืออารมณ์มันจะเป็นของที่คู่กับจิตจิตคือคนที่ไปรู้อารมณนะ์จะมีคู่กันอย่าู่นี่อารมณ์ก็มีสองอา ร, อารมณ์ข้างนอกนะอย่างการที่เราเดินเดินอยู่แล้วต า, ามองเห็นคนเดินมาเนี่ย คนที่เดินมาเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตานั่งอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงหรือเสียงนกร้องเนี่ยเสียงร้องเข้ามาเนี่ยเสียงเนี่ยเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยหูอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์อีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์ทางใจอย่างเวลาเรานั่งคิดนะเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจหรือความรู้สึกโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้อันนี้เป็นอารมณ์ทางใจ อารมณ์ที่เราสร้างขึ้นเองก็คืออารมณ์ที่เกิดจากการคิดเอาคิดขึ้นมาเองแต่อย่างตาเรามองเห็นนี่เราไม่ได้สร้างเห็นไหมมันเห็นจริงๆแต่นั่งอยู่คนเดียวอะ่ะนั่งหลับตาเคลิ้ๆมๆแหมมีความสุขด้วยอยู่ๆหน้าคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอา้าวศัตรูเราเมื่อสิบปีที่แล้วนะพอหน้ามันโผล่ขึ้นมาพุบใจเกลียดขึ้นมาอีกแล้วเราก็รู้ทันมัน นั้นอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันจิตของเราเหมือนกันไปรู้ทันจิตใจตนเองเรื่อยๆอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อ objectively object to object การรู้นี่รู้รู้หลังผัสสารรู้ก่อนต้องรู้หลังสิต้องรู้หลังนะมีผัสสาแล้วก็ค่อยเกิดสติขึ้นไปรู้ อ, อย่าอย่ารู้ก่อนถ้ารู้ก่อนจะเป็นการไปดักเอาไว้ก่อน ไ ม, ไม่ไม่กำหนดไม่หยุดนะเรารู้เพื่อให้เห็นความจริงหลวงพ่อยกตัว อ, อย่างให้คุณฟังอย่างเช่นว่าคุณเห็นศัตรูของคุณเดินมาตามองเห็นรูปนี้เป็นผัสสะนะกระทบอารมณ์แลตากระทบอารมณ์นี่เป็นผัสสะนะเสร็จแล้วใจเราก็คิดขึ้นมาอันี้ศัตรูเรานะใจเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาเนะนี่ยเราปล่อยให้เขาทํางานตามธรรมชาติเลยนะเราไม่เข้าไปขัดขวางกระบวนการของจิตเลยนะ ถ้าจิตเกิดความโกรธเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความจริงว่าความโกรธนี่ยแต่เดิมไม่มีตอนนี้มีขึ้นมาแล้เรารู้เราดูไปเรื่อยๆนะความโกรธก็เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้มันดับของมั น, ไ, น ไ, มไม่ต้องกลับอย่าจงใจดึงนะถ้าคุณจงใจดึงกลับมาฐานนะคุณจะแน่นที่หนะ้าอกฐานนั่นคือภาวะที่ลมหายใจอ่ะไม่ต้องละวลมหายใจมันเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวานะเครื่องอาศัยเพื่อว่าเราจะรู้ทันจิตใจของเรา เมื่อเรารู้ทันจิตแจ้งของเราเราก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องอาศัยนั้นคุณเคยเห็นเขาหัดว่ายน้ำไมเขามีห่วงยางมีโฟมไม่เกาะอะไรเงี้ยอันนั้นสำหรับคนที่หัดใหม่หัดเบื้องต้นแต่พอเขาว่ายเป็นแล้วเขาไม่เกาะและ้วเกกะมันเป็นภาระเราหัดใหม่ๆเราก็หัดหายใจไปหายใจไปแล้วก็คอยสังเกตใจเราหายใจไปแล้วใจหนีไปก็รู้ จิตใจมีปีติก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นยังไงก็รู้หายใจจนกระทั่งเรารู้เท่าทันใจของเราได้อย่างชำน้ชํานาญพอชำนี้ชํานาญแล้วเราก็มาอยู่ในชีวิตจริงนี่ทดสอบแล้วทดลองตัวเองนะว่าไอ้ที่ฝึกมาได้เรื่องไหมตา ม, มองเห็นเนี่ยความรู้สึกเกิดที่ใจแล้วอย่างตอนเรานั่งหายใจใช่ไหมความรู้สึกก็เกิดเช่นมีปีติมีสุขอะไรเงี้ยมีความสงบพอตาเรามองเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราก็รู้ทานที่ใจของเรา รู้ไปเรื่อยๆนะไม่ไปบังคับไม่ไปห้ามรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าใจนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องการแค่นี้เองจะไม่ใช่เรื่องของสมถะสมถะต้องการความสงบวิปัสสนาต้องการความจริงความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นความจริงว่ากายใจไม่ใช่เรานะคุณจะเป็นพระโสดาบันตอนนั้นแหละแต่ถ้าทาความสงบอย่างมากก็ไปเป็นพรพมคนละทางกันแต่ว่าอาศัยการทาความสงบ เป็นพื้นฐานเพื่อจะมารู้เท่าทันใจของเราอย่างนี้ง่ายพอต่อได้ไหมเอาต่อนะอย่าหยุดอยู่แค่หายใจนะงื้นหายใจไปจ น, นแก่คุณจะเก่งมากเลยพอหายใจปุ๊บคุณจะสงบมีความสุขเลยแล้วก็คุณจะไม่ทำอย่างอางื่นละถ้าษีอานมาจัดสรุก็ามาไม่ทันแล้วนะเพราะจะเปลี่ยนพิบโภลม เออคีอิโมชั่นออกมานะอรู้ว่ามีโมชั่นครบเนี่ยผมไปลองวัดความดันอ่ความดันมันขึ้นเออนะพอพยายามจะตามทมันทำนะฮะว่าเออเรากำลังมีโมชั่นนะแล้วก็พยายามจะทาเป็นสมถะนะฮะไปข่มมันนั่งจับลมวัดใหม่มันก็ไม่ลงมเอ อ, เอ น, นั่นเพราะว่าใจเราไม่รวมจริง สมมติว่ามันโมโหขึ้นมาแล้วเราก็มาอยู่กับลมหายใจเราไม่ไปชิดเรื่องนั้นนะจิตสงบลงมามันก็ลงความดันมันก็ลดมันก็ลดเพราะสมถะอย่างเวลาวัดความดันเนี่ยพอเราเข้าสมาธิปุ๊บมันลดทันทีเลยหัวใจก็เต้นน้อยลงหายใจก็หายใจน้อยลงความดันก็ตกลงแต่เป็นเรื่องของสมถะนะเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาฝิงนี้ ไม่เป็นไรคืออย่างนี้การปฏิบัติทำทางศาสนาพุทธเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆนะ น, นะเพื่อให้ใจของเราพ้นความทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ความจํายาวนะถ้าอยากฝึกความจํายาวเนี่เวลาเราจะทําอะไรนะเราค่อยมีสติกํากับลงไปเรื่อยๆนะสมมติเราจะวางวางอันนี้ลงไปตรงเนี้ยเราทําความรู้สึกตัวเลยว่าเราวางอันนี้ลงไปตรงนี้อย่างเนี้มันจะจําแม่ น, นแต่ถ้าเราฝึกวิปัสสนาฝึกเจริญสติเราไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอก เราฝึกเพื่อให้รู้ทันใจว่าเราฝึกเพื่อจะไม่ทุกข์นะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ความจําดีควรเราวัตถุประสงค์กันเพราะฉั้นต่อไปสมมติว่าเราความจําเราสรั้นหรือความจำเราเสื่อมจิตใจเราก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมได้นี่ตรงนี้สิอัศจรรย์เพราะเราฝึกจนกัะทั่งจิตเราไม่ทุกขนะ์เพราะฉนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สอนเราเรื่องทุกข์และความพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกเรื่องอื่นเป็นแค่ผลปล่อยได้ งั้นความจําสั้นนะกังวลใจไหมกังวลใจรู้ว่ากังวลใจอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติแต่ถ้าต้องการให้ความจํายาวขึ้นนะมีสติกํากับลงไปแต่อันนี้จะไม่ใช่วิปนะัสนาแะเช่นเราจะวางของตรงนี้ยทําความรู้สึกตัวให้ชัดๆเลยว่าวางไว้ตรงเนี้จะม่จะจําได้แมว ดูใบ่อยไหมขยันเอวดูเรื่อยๆไปนะดูไปตามธรรมดาดูจิตใจที่มันปรุงแต่งนะดูมันจนมันเลิกปรุงเองอะ่ะนั้นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัตินะก็คือรู้เท่าทานันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาเลิกปรุงแต่งเขาเลิกเขาเองอย่างตอนเราไม่รู้ทั น, นมันจะปรุงยาวพอเรารู้ทันก็จะปรุงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเถึ ง, งจุดหนึ่งขาดวับเลยไม่ปรุง ตรงที่ขนาดที่ไม่ปรุงนะั้นะความตัวเป็นตัวตนไรไม่มีเลยตรงนะี้ย้าสติทันนะสั ก, กยะทิฏฐิจะขาดงั้นแมวก็ดูไปเรื่อยมันปรุงก็รู้ปรุงก็รู้มันแอบทํางานก็รู้มันเรื่อยๆไปจังนะถ้าราไม่เข้าไปใ น, ป ว, นวิทยาคมุบาลามาความว่างเลยทำไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมันเป็นวิธีพักผ่อนการที่อยู่ๆเรากําหนดจิตเข้าไปจับความว่างเนี่ยจะได้สมถะ เพราะมันมีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทำสมถะได้อันหนึ่งคือจิตที่รู้ช่องว่างหรือที่คุณเรียกว่าความว่างอันที่สองคือจิตที่รู้กวามไม่มีอะไรเลยอันแรกเรื่องอากาศสารนใจยตนะอันที่สองที่ว่าไม่ไม่มีอะไรนะเรื่องอากินจัญญายตนะสองอันนี้เป็นสมถะเป็นทุกนะทุกให้รู้ไม่ใช่ให้หนี คุณจับหลักให้แม่นนะหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้แล้วท่านก็ไอดีนิยาเลยนิยามให้เราดูเลยว่าคําว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือขันห้าคือกายกับใจนี้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รู้กายรู้ใจนะเราไม่ได้มีหน้าที่รู้สุญญาตาไม่ได้มีหน้าที่รู้ความว่างแล้ววัก็ตกไปในวัฏฏะตกเรียนรู้วัฏฏะไปนะจนพ้นวัฏฏะต้องเรียนรู้ทุกข์นะถึงจะพ้นทุกข์ ไม่ใช่หนีทุกข์นะหนีทุกข์ไม่พ้นทุกข์หรอกหนีทุกข์จะพอกคูณอัตตาจะรู้สึกว่ากูเก่งกูหนีได้แล้วหนีได้ชั่วคราวเพราะเราเชื่อเชื่อพระเจ้าเถอะพระเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจสติปัฏฐานสี่ไหมกายนี่ก็คือตัวรูปเวทนานี่เป็นส่วนของจิตใจแล้วจิตก็เป็นจิตที่เป็นกุศลอนกะุศลนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจต้องนา ม, มาทำส่วนธรรมธรรมานุ ป, ปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจ ปะกันอยู่ใ น, นการปฏิบัติเนี่ยมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจนะอย่าไปเอาความว่างความว่างเป็นผลสุดท้ายหรอกที่จะไปคืนคล้ายๆเรายัางไม่รวยนะแต่เราเข้าไปที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งเห็นสมบัติเขาเยอะอะไรเงี้ยเราอยู่ไม่ได้หรอกต้องมาทํามาหากินให้รวยเดี๋ยวเรามีสมบัติอันนี้ขึ้นม า, ารู้กายรู้ใจนะอย่าเอาความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนให้รู้ทุกข์ ท่านตรัสรู้ขึ้นมาท่านถึงประกาศเลยว่าถ้าท่านไม่รู้อริยสัจสี่มีวงรอบสามรวมแล้วเป็นสิบสองท่านจะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าเลยพระขนาดพระพุทธเจ้ายัางตรัสรู้ด้วยการรู้ทุกเลยนะนนเราอย่าอย่าทำเกินที่ท่านบอกเนะนี่ยตามรู้ทันไปจนเห็นความจริงว่ากายนี้ใจ น, ในี้ไม่ใช่เรา พอปล่อยวางความยึดถือกายกับใจได้เรียกว่ามันพ้นจากรูปนามนิพพานก็คือการที่พ้นจากรูปนามนั่นแหละความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดว่าตัวเรามีอยู่ไม่รู้สึกว่าตัวเรามีอยู่เนี่ยการดิ้นรนของจิตใจจะหมดไปเองเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์แกมแจ้งนะสมูทไทคือความดิ้นรนของจิตใจเนี่ยจะหมดไปเองเพะฉะนั้นให้รู้ทุกข์ไว้เถอะแล้วตัณหาดับเองที่มันมีสมูทไทมีตัณหาได้ก็เพราะอะไร มันอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ทำไมมันมีตัวเราขึ้นมาเพราะมันมีความไม่รู้มันไม่รู้ว่าไอ้นี่จริงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกนี่เองถ้าพูดหยาบๆนะนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์อีกตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์ฝูงหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยแต่เราสาคัญมั่นหมายว่านี่เป็นตัวเรานี่ก็คนอื่นขึ้นมา ศาสนาพุดธสอนให้เรามารู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจวั น, นึงเข้าใจความจริงว่าจริงๆแล้วเป็นก้อนธาตุเช่นเดียวกับสิ่งอื่นนั่นเองพอรู้อย่างนี้นะหมดความยึดถือตัวนี้นะมันจะคืนให้โลกเขาเรียกว่าปฏินิสักะการสลัดคืนพอคืนไปแล้วเนี่ยถามว่าแล้วจะต้องดิ้นรนเพื่ออะไรอีกนะในเมื่อกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะก็ไม่มีการดิ้นรนชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะมันจะทํางานไปด้วยความเมตตาล้วนๆเลย มันจะหันมาเห็นสิ่งที่เคยลำบากมาด้วยกันนี่แล้วมันจะสลดสังเวชใจมีข้อสงสัยที่จะอายุพั<ม>นธุ์เข้ามาก่ยองใส่แต่ไม่ใช่เรื่องของกรรมนะครับเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องของที่เป น, นทีมรับ ก, กรรมนี้มีสองส่วนนะกรรมในอดีตกรรมเก่ากับกรรมปัจจุบันใช่กรรมเก่าเนี่ยกรรมเก่านี่ย ร, ร, รวมทั้งพบแต่กี้นี้ด้วยนะพบใกล้ๆนี้ด้วย เมื่อไม่กี่ขณะจิตนี้ก็กำเก่าใช่แล้วก็ข้ามชาติก็ได้พระุทธเจ้าสอนไว้ทั้งสองแบบนะบพวกเราบางคนเรียนอ่านของท่านพุทธทาสมากไปอ่านผิดหลวงพ่อแหละเคยผิดแล้วนะคิดว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วข้ามพบข้ามชาติไม่ได้นะท่านพุทธทาสสอนปฏิจจสมบัติขณะจิตเดียวเนี่ยเป็นเข้าใจอย่างนี้นะแล้ววันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพครก็ไปพูดอย่างนี้ให้ท่านได้ยินครับนะท่าน โอ้เขอยากกราบท่านนะทุกวันเนี้ท่านกวากมือเรียกมาเลยบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ mm. ท่านยกรพระไตรปิฎกมาให้ฟังเนี่ยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปหาท่านอาจารย์พุท ธ, ธากไปกราบท่านอาจารย์พุท ธ, ธาท่านอาจารย์ครับตายแล้วสูญใช่ไหมท่านอาจารย์สอนมาตายแล้วสูญใช่ไหมท่านถามว่าไงนึกไหมท่านตอบว่าไงไหมคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอ mm. งั้นคำว่าพบชาติเนี่ยนะไม่ใช่ขนาดนี้เท่านั้นนะ ข้ามพบข้ามชาติก็มีเนะี่ยดูความดื้อนะจากสุชีพท่านบอกแล้วนะเอาพระไตรปิฎกมาให้้วนะนะยังไปถามท่านอาจารย์พุทธาสเนี่ยนะนับถือท่านมากไงค <c oughs> คำว่ากรรมเก่าเนี่ยก็นะคือวิบากนะวิบากจากการกระทําในอดีตมันจะส่งผลให้เราต้องมาเผชิญกับสถานาการณ์ปัจจุบัน เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ปัจจุบันแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้คือทำกรรมใหม่ที่ดีที่สุดนะเพื่อจะได้เกิดวิบากที่ดีต่อไปสะมายกตัวอย่างอย่างสมมติคนคนหนึ่งมีวิบากที่ไม่ดีนะไม่เคยทำทานนะเรียกมีชนกกรรมคือกรรมที่ส่งให้มาเกิดเยเกิดมายากจนะนะถ้าเป็นศาสนาอื่นโอ้เราทำกรรมเก่ามาเราเลยยากจนก็ยอมจำนนกับกรรมเก่านี่ไม่ใช่พุทธนะ ถ้าจะเป็นชาวพุทธเหรอเกิดมายากจนเนี่ยกรรมเก่าช่วยไม่ได้มันเกิดมาแล้วมันจนมาแล้วต้องทํำกรรมปัจจุบันได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็สอนคาถาแก้จนเอาไว้อันที่หนึ่งอุทานสัมปทานะขยันทำมาหากินนะอันที่สองอารักษสัมปทานนะหากินได้แล้วต้องรู้จักรักษาทรัพย์สมบัตินะอันที่สามกัลยาณมิตรตารู้จักเลือกคบคนนะคบคนไม่ดีก็หานะนะอันที่สี่สมานนตตาดํำรงชีวิตอย่างพอสมควรแกบอากาภาพ ถ้าเราฝึกของเราเราทําของเราเนี่ยทํากรรมใหม่ที่ดีอย่างนี้เรื่อยๆกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยจะไปบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าลงนะไม่ใช่เรื่องแก้กรรมนะไม่ใช่แก้เจ้ากรรมนายเบน้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะแต่สอนให้เราลงมือทํากรรมใหม่ที่ดีเนี่ยผล ข, ของกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยจะบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าในที่สุดเราก็รวยกรรมเก่าเนะี่ยเขาเรียกว่าถูกอุปค่าตกรรมถูกค่าตายไปแล้วด้วยกรรมใหม่ที่ดี ง น, นชาพุทธไม่ยอมจำนนกับชีวิตนะชีวิตมีปัญหาต้องต่อสู้ต่อสู้อย่างมีหลักต่อสู้แบบทากรรมดีให้ดีที่สุดเลยนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นถ้าเกิเมื่อวานนี้ตังมีอยู่ห้าบาหายถ้าจะจนนต่อที่หายก็วันนี้ก็วันนี้ก็ยังเสียใจยอยู่ออแ่เกิดเราต้องหน้าตาปหากินเข้าาเอ อ, เ อ, อ อ่าใช่นะต้องทำนละต้องสู้นะชาพุทธไม่ใช่ลัที่ยอมจำนนนะชาพุทธเป็นนักสู้นะแต่สู้แบบไม่เบียดเบียนนะอ่ะพอละ ว, วันนี้โยมเมื่อยแล้วเดี<ม>๋ยวแข้ง <c oughs> ขาเดี้งมาโทษว่าหลวงพ่อพูดมากอ่าเชิญกลับบ้านไป